วันนี้เป็นวันที่21ออาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2558เมื่อวานวันเสาร์เย็นหลวงพ่อได้ขึ้นไปไหว้พระแล้วก็แสดงธรรมในหมนท่านในหมนเทศสนาหนึ่งกันเมื่อวานตอนเย็นงานวัน เกิดของหลวงพ่อคำสดอายุ68ปีพันศาส4 47, ่ถเ็อะไรหลวงพ่อจำไม่แม่นจุนี้แต่40สกว่าวันครบรอบวันเกิดของท่านหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปแสดงความนับถือด้วยวแสดงแสดงความยินดีในวันเกิดของท่านวานก็ ขึ้นไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ทางเจ้าพระพนัสธาญาิโยมกลัวมันจะดึกดื่นเกินไปก็ให้ขึ้นไปแสดงธรรมแล้วเมื่อลุงพ่อแสดงธรรมลวดเทศจบลงแล้วหลวงพ่อกลับลงมาแล้วก็มีเจ้าคณะจังหวัดน้องคายหลวงพ่อบุญเลิศวัดอรัญญวาสีท่าบ่อเป็นประธาน ในการนำพระสงฆ์สวดพระปริตะมงคลเพื่อเป็นการสมโพธ์วันเกิดของหลวงพ่อสดอรุณ โ, นโนปรปครูสมาธิคุณท่านเป็นปรครูนะแต่เมื่อคือเนเนื้อหาสารธรรมะที่หลวงพ่อได้พูดก็ให้พวกเราทุกๆท่านที่เป็นพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธทเจ้า พุทธบริษัทเขาว่าบริษัทแปลว่าลงขันเข้าหุ้นตกลงกันในบริษัทนี้เรียกว่าพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสั ม, มนเนนแต่ถึงยังไงจะทําให้เสื่อมหรือเจริญก็คือพุทธบริษัทสีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พุทธบริษัทสีมองเจ้าของดูเจ้าของใครราวขาดตกบกพ่องอะไรบ้าง พระสงฆ์กับมองพระสงฆ์หลวงพ่ออินกับมองหลวงพ่ออินขาดเหลืออะไรสินและวินยัยตรงไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่อยู่ในสมณะสารปไม่เป็นสากยะบุตรพุทธชินนรสของพระพุทธไทรเจ้าก็มองเจ้าของฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันก็ให้มองเจ้าของเราเป็นผู้มีศินมีธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังเรายึดพระไตรสระคมยึดพระพุทธเจ้าพระสมรมภสง์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงหรือยังเรามีศีลห้าเป็นพื้นฐานรองรับความประพฤตของเราหรือยังจากนั้นก็เราได้บาเพ็ญเรื่องจิตภาวนาตามแนวแถวของพุทธะหรือยัง จบแล้วก็คือต่างคนก็ต่างมองเจ้าของดูเจ้าของตรวจตราดูเจ้าของอ อ, อันนี้มีโดยมากพวกเรามีแต่ชี้ไปคนอื่น อ, อถ้าหากว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมก็ชี้มาหาพระ อ, อพระทำอย่า ง, งไงปฏิบัติตนอย่างนูอย่างนี้ อ, อพระไม่ดีอย่างนูพระไม่ดีอย่างนี้แต่ส่วนพระเน่ยคืชี้ไปหาโยมเป็นเพราะโยมนั่นแหล อ, อมีแต่หมกมุ่นไปใน เรื่องต่างๆเพือเอจะเก็บภาษีพระเองพระมันมีไรายได้จากที่ไหนฮะต่างคนก็ต่างมองออกไปข้างนอกอแต่ตามไม่จริงท่านทุกคนมองเข้ามาหาตัวเองนะปรับปรุงแก้ไขตัวเองเอแล้วก็พุทธศาสนาก็จะดีขึ้นเองพ o เหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะผู้ที่จะทำให้ศาสนาพุทธศาสนาเจริญ หรือพุทธศาสนาเสื่อมไม่ใช่ใครที่ไหนพุทธบริษัทสี่นี่แหละคือว่าภิกษุสามเณรอุบาสิกุบาสิกาหนี่แหละจะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองหรือจะทำให้ศาสนาเสื่อมให้พวกฟังพวกเราฟังเอาไว้จริงไหมถ้าหา ว, ว่าพวกเราทำตนให้เป็นคนดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมนั่นแหะพุทธศาสนาเจริญ แต่พวกเราต่างคนต่างทำร้ายไม่มีศีลไม่มีธรรมพระก็ทําอีกอย่างหนึ่งคระว่าญาติโยมก็ไม่มีศีลมีธรรมแล้วพุทธศาสนาจะอยู่กับพวกเราได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ยึดพระธรรมคําสอนมาปฏิบัตินะแต่สั่งฝ่ายญาติโยมก็พูดข้าไปเจ้ากราบพระไม่ลงเดี๋ยวนี้อพระทําตนไม่ดีอย่า ง, างนี้แต่ฝ่ายพระเนี่ยก็เอ้ยศรัทธาญาติโยม เต็มคุกเต็มตารางขึ้นวันนี้ก็เพราะว่าคนขาดศีลห้าคือมองต่างคนก็ต่างมองกันแต่ตามไม่จริงมองถูกไหมกระถูกบางจุดนะแต่ตามไม่จริงเราจะมองภาพรวมทั้งหมดก็ไม่ได้พระที่ดีก็มีอยู่ผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมไม่มองศรัทธทาญาติโยมกุมือนกันพระ แต่จะมองศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมมีศีลห้าก็มีโยทําไมไม่มองจุดนั้นถ้าหากเรามองจุดนั้น เ, เรากคนนี้เป็นตัวอย่างต่างคนต่างมองหาคนดีมันก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าในพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยมันไม่มีแต่มิดเม็ดกรวดมมเม็ดหินเม็ดทรายนะทองคําอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินเนี่ยที่เรานั่งอยู่นี่น บ้านนาคนําน้อยบันนาคําน้อยคําก็คือทองคํานั่นแหละอยู่ในเนี่ยสมัยก่อนแ ก, กเก่าเนี่ยนะเขายังมาล่อนทองอยู่ในลํารางของเราเนี่ยเขายังได้ทองไปนี่ก็เหมือนกัน่ะของดีมันก็ยังมีอยู่ทุกแห่งทุกทุกหนไม่ใช่ว่ามีแต่มีแต่กวดแต่หินเท่านั้นแต่มันก็ของหายากฮอกวดหินทรายมันหามากยากง่ายกว่า อันนี้ก็เหมือนกันความชั่วของคนหาได้ง่ายพระหพระชั่นก็หาได้ง่ายโยมชั่นก็หาได้ง่ายเหมือนกับเขาวัวก็ขนวัวพระพุทธเจ้าท้าตรัดไว้อย่างนั้นในครั้งพุทธเจ้าขนวัวมีอยู่สองขนวัวมีเต็มไปหมดทั้งตัวแต่เขาวัวมันมีอยู่สองเขาสองเขานีขนวัวมันมากขนาดไหนนี้ก็เหมือนกัน ถ้าหาว่าวัวไม่มีเขาจะเลยก็ไม่ใช่วัวนะเจถึงยังไงก็เป็นตุ่มขึ้นมาถ้าเขางามถ้าเขาขี้เหล่อันนั้นจุดอีกส่วนนึงอันนี้ก็เขาเขาวัวแต่ว่าคนวัวคือคนที่ที่ทําสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราให้มองหาสิ่งที่ดีมีอยู่เหมือนกับเราค้นหาทองคําในพื้นแผ่นดินนะอเนมีอยู่ เพชรนินจินดาก็มาจากพื้นแผ่นดินอแล้วก็ของที่เอระเบิดภูเขาไฟมันก็ขึ้นมาจากแผ่นดินอีกเหมือนกันนะอแผ่นดินไหวมันก็มาจากแผ่นดินพื้นแผ่นดินอีกเหมือนกันน่ะเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยหาได้นี่กเหมือนกันนั่นแหละคนเราไม่จะดีอย่างเดียวคงจะไม่ได้ชั่วยอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นะแต่ถึงยังไงถ้าคนได้พูดบอกว่าเอ้ย ข้าเนี่ยหาพระกราบยากแล้ไม่กราบพระกราบพระไม่ลงเออหาที่อกราบพระไม่ได้ไม่มีที่จะกราบอกราบพระหาพระดีไม่ได้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าหาพระกราบไม่ได้ก็กราบการพนันกราบอบายมุกซะอตั้งชื่อขึ้นมาแหละอบายมุกทุกอย่างกราบตัวนั้นอ่ะเอเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจเกียดค้านทําการงาน เออคือมากระลาบกรลาบกร า, าบอวัยมุขถ้าหาพระกราบไม่ได้นะเพราะมาเหตุอะไรเพราะใจของตัวเองมันมันเลวมันชั่วมันก็หาที่กราบไม่ได้ถ้าฉลาดมันก็ต้องหาที่กาที่กราบได้ต้องสสแสวงหา เ, เพชรนินจินดามันมีอยู่ในพื้นแผ่นดินถ้างโง่แล้วก็มีแต่หาขี้กวดหาแต่สิ่งที่มันดีหาขี้วัวหาขี้ควยายใส่ตะก้าแเลยก็ ถือไปเรื่อยมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคนฉลาดนะคนฉลาดย่อมหาทรัพย์ได้คนฉลาดย่อมหาสิาา่งที่ดีๆได้นะถ้าหาว่าคนตาบอดคนที่มีปัญไม่มีปัญญาได้แต่ของเลวๆได้แต่ของที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากให้พุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้านะอย่างพวกเราเนี่ตั้งหน้าตั้งตาลงขันเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้บุกเบิกบานเป็นผู้ตื่น เ, เป็นผู้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบเอพราะนั้นให้พวกเราพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความรอบขอบต้องใช้ปัญญานแะต่ใช้สติใช้ปัญญานะั่นจะมองเห็นได้ในสิ่งต่างๆอันไหนดีอันไห น, น, นเลวอันไหนชั่วอันไหนสมควรมิสมควรอย่างไรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรอันไหนสูงอันไหนต่ำ อ, อ, อันไหนพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในมองเห็นแล้วนะวางตัวอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะจากนั้นก็นเดินเข้าไปเรื่อยๆใไห อ, อเดินเข้าไปหาจิตภาวนาพระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาเรื่องอะไรในหลักของพุทธศาสนาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร ไอ้พวกเราจะไปมาตะคุบอยู่ข้างนอกเนี่ยเออมันไ ม, ม่มีที่สิ้นสุดหรอกตะคุบอะไรก็ยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดถ้าเข้ามาหาสู่ภายในจิตใจแหละ น, นั่งสมาธิดูซีดูซีใจมันเป็นยังไงใจของเรามันว้าวุ่นขุนมัวใจมันสารวนวุ่นวายคือตัวผู้รู้นามธรรมตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาศึกษามาตัวนามธรรมตัวผู้รู้คือใจเนี่ยนะ ถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะเราจะรู้ได้ว่าอันไหนดีอันไหนเร็วอันไหนชั่วอันไหนเหมาะสมไม่สมควรจากนั้นกับตัวนี้แหละเป็นตัวการใหญ่สำคัญมนโนปุพังข ม, มาธรร ม, มามโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะลูกหลานทุกคนคณะสัต ย, ยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ใหเน้นมาหาจุดใจคือตัวผู้รู้เมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจเข้าผ่านข้าความสงบแล้วนใจของเราจะรู้ตัวตัวของเราเองเห็นตัวของเราเองจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไรนะเราจะรู้ได้น ะ, ะนี่ถ้าว่าพระเรามีแต่คิดจะแก้ไขแต่คนอื่นเขานะมีแต่แก้คนอื่นเขานะไม่แก้ตัวของตัวของเราเองมันไม่ได้นะ ต้องแก้กตัวของเราอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าการที่จะทําคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากตัวของเราให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีในระดับไหนต่อไปกนะ็ยังค่อยบอกคนอื่นเป็นเอาเราเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราเป็นมีท้องบุ่งไปหาขัดต่อคนอื่นอยากจะให้คนอื่นดีแต่ตัวเองในเลวยิ่งกว่าเลวอีกฮะ มีแต่ใจไหนอะยากจะให้คนอื่นดีก็เหมือนกระดาษทรายท่องบุ๋งอย่างนั้นอนะ่ะเด็กเล็กท่องบุ๋งหรือกระดาษทรายไหนอะยากจะขัดให้คนอื่นแต่ตัวเองคลุกคลานะอันนั้นก็ให้มองมองเราเหมือนกันหลวงพ่อพูดทุกวทุกวันก็เหมือนกันหลวงพ่อก็มองหลวงพ่อเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อมองไม่เห็นกันลูกหลานจต่าญาติโยมพระเนนก็มองบอกหลวงพ่อด้วยก็ได้เนะพอาะหลวงพ่อมองดูตนเองอยู่เสมอเพราะนั้น การที่หลวงพ่อพูดก็ให้พระเนรมองตนเองเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นสากยาบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอพวกเราก็เป็นบุตรหญิงบุตรชายของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะไม่ใช่แต่พระนะพวกเราก็เป็นพุทธบริษัทก็เป็นบุตรทิดาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ไม่ถึงร้อยปีนะลูกหลานน ะ, ะต่างคนก็ต่างไปนะอยา่าไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรมากมายนักหนานะลูกหลานนะประกอบคุณงามความดีนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะอะนรกสวรรค์มีจริงนะอย่างเมื่อคืนหลวงพ่อได้พูดที่วัดหลวงพ่อโสกพระตกนรกพระมหาพระกบิลละพิกขู่นะพระกบิลละพิขูนะะะขนะ่เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ แนะนำสั่งสอนคู่คนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ลงอุโบสถไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนมีแต่โสอังหาลาบลยดยศสนรเสริญอยากจะให้คนทั้งหลายสนรเสริญเยอนยอจากนั้นก็หาเงินหาทองโกกกอบโกยเข้ามาไปในทางที่ไม่ถูกต้องจากนั้นบาป ก, กรรมตัว น, นั้นก็พอตายไปแล้วก็ตกนรก แม่ก็ตกนรกไปด้วยน้องสาวก็ตกนรกด้วยเพราะเข้าหุ่นกันเห็นพ้องต้องกันในพี่น้องแต่พี่ชายใหญ่บวชเข้ามาแล้วท่านไปภาวนาอยู่ในป่าท่านก็มาเตือนยา่าน้องแม่เฮ้ยพี่ชายหลับหูหลับตาอยู่ในป่าเนะี่ยจะมายุ่งโลกเข้าไปยังทางไปถึงไหนแล้วตัวเองยังไปหาหลับหูหลับตาอยู่ล้าสมัย น้องพี่ชายก็บอกว่าอืเอาเถอะนะนรกมันไม่เต็มหรอกนะน้องนะเอาเถอะทําไปเถอะเออแต่พี่เตือนแล้วเพียพี่จะไม่มาเตือนอีกหน้าพี่ชายก็เลยเข้าป่าตรงพงไพรไปกับปรินิพานในป่าท่านไม่ได้มายุ่งอะไรพอลาบยศจันรเสือเนี่ยมันเป็นของโลกโลกเอมันอยู่ในโลกเนี่ยมันเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะทิ้งทั้งหมดน่ะ ถึงจะว่าใครว่าเก่งก็เก่งเก่งในราบในยศในเสริญในโลกเนี่ยมันเอาไปไม่ด้วยไม่ไ ด, ด้ต้องทิ้งอันนี้ก็คือพระกัปปิละท่านก็ตกไปตกนรกอพอพ้นจากนรกขึ้นมาคือครคําว่านรกเปิดกบโผล่ขึ้นมามาเกิดเป็นปลาเนี่ยปลาทองอยู่ในแม่น้ามาเจรวดีนอจากนั้นเขาจับได้ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเคยเป็นภิกษุ ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะอายุยืนถึงสองหมื่นปีคนอายุยืนไม่ใช่จะดีนะลูกหลานคณะสัตยาญาณโฉมนะอายุยืนเท่าไหร่ทำความชั่วความชั่วก็มากมายนะเหมือนกับคนหาเงินหาเงินอายุมากหาเงินไม่ได้เงินมากใช่ไหมละ่ะถ้าว่าอายุยืนทําแต่ความชั่วความชั่วกมากมายเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะทําแต่ความชั่วอายุยืนแต่ถ้าอายุสั้น เกิดมาไม่กี่วันทําความชั่วก็ไม่กี่วันความชั่วก็น้อยฮนี่ก็เหมือนกันถ้าทําความดีความดีก็มากอีกเหมือนกันคนอายุยืนถ้าทําความชั่วก็ชั่วก็มากอีกเหมือนกันเพราะนั้นจะไปคิดว่าอายุยืนดีไม่ใช่นะแต่ดีเพราะความทำคุณงามความดีชั่วอย่าไปทําความชั่วถ้าทําความชั่วแล้วความชั่วจะมากนะเพราะอายุยืนให้ทําความดี นั่นแหะคือพระภิกษุในพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพูดแต่หลวงพ่อก็พูด <c oughs> ย้ำอีกเนะ่ยวันนี้บอกว่าไม่ใช่ตกนรกแต่พระนะอสีสหายในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะอีกเหมือนกันนะั่นนะทําแต่ความชั่วอบายมุกทุกอย่างที่หลวงพ่อบอกให้กราบอบายมกุกเที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรเที่ยวกลางคืนเอที่ยวกลางคืนก็เที่ยวเป็น เรื่องที่มันไม่ดีเนะี่ยอบายยมุก เ, เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการผ น, นันครบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำการงานานี่แหละอันนี้ก็คืออบายยมุก เ, เป็นยังไงสีสหายลูกเศรษฐีเนะี่ยได้เงินมามากๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงอา้าวเน้นไปทางทางอบายยมุกนะมีผู้หญิงสวยงามที่ไหนซื้อมาเอาเงินไปเอามา อ่าเพราะนสูงนะอ่ามันไปด้วยกันนะสุรานารีพาชีกิลาบัตความชั่วเหล่านี้มันมันเป็นเหมือนกอดคอกันเลยว่างั้นเถอะความชั่วในสิ่งเหล่านี้น่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้าอบายยมกนะมุขะมุขะจิบหายซึ่งซึ่งหน้าซึ่งปากเนี่ยอ่เพราะฉะนั้นสี่สหายที่เป็นเศรษฐีเนี่ยตายลงไปก็ไปตกนรกออพอตกนรกเอือ ถึงสามมื่นปีลงไปจับปากนรกลงไปแล้วก็เฟื้นขึ้นมาอีกสามมื่นปีเฮ้พอโผเห็นหน้ากันหมดถูาาสาณาโอกก็หมุนลงไปอีกองนี่แหละโยมก็ตกนรกเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่อแต่พระนะเพราะนั้ น, นะพวกเราให้ส้ำรวมระวังทั้งพระทั้งโยมนั่นแ่ละตกนรกได้ทั้งทั้งนั้ น, นอ่ะ พูดแต่พระว่าตกนรกนะ่ยไม่ได้พูดถึงโยมตกนรกโยมก็ตกนรกเป็นเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะสี่เศรษฐีเนะี่ยตกนรกเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ผดได้เกิดเนีแล้วก็ขึ้นมาเห็นหน้ากันนะจะกล่าวคาถาเออเมื่อเราพ้นจากนรกนี้แล้ว เ, เราจะเราเห็นโทษและความชั่วที่เราทนะํานี่ยข้าพระเจ้าจะไม่ทําความชั่วอย่าง ที่ที่ทมาอีกข้าพเจ้าจะทำแต่คุณงามความดีเท่านั้นแต่มันพูดอธิบายไม่ได้ก็เลยต่างคนก็ต่างพูดข้าพเจ้ า, เ, าเกิดมาพบหน้าคนที่สองนะจะไ่ทำความช่วยอีกอคนที่สี่ข้าพเจ้าจะพวกข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีเท่านั้นแต่กล่าวด้วยคนละคำนะมันก็นรกมันหมุนขึ้นมากล้วก็หมุนแล้วลงไปอีกในพื้นนรกอีกนะ นี่แหละเลื่อก่าวได้คนและคำหมดทุาณะโส น, ะ น, ะนี่แหละโยมตกนรกนะคณะสัททายาโยมลูกหลานหาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมูธนาให้พรรับพรณัตินีเนาะ